ข้อควรทราบพั่วไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิทิฏฐิทหทาหานสระอิต่อปตักทฐานสระอิหรือเขียนลดรูเป็นทหทาหานสระอิทฐานสระอิอ่านว่าทิฏฐิเหมือนกันแปลว่าความเห็นหมายรวมถึงความเชื่อถือลัทธิทรษดี ความเข้าใจตามนัยยะเหตุผลข้อที่เข้ากับความเข้าใจของตนหลักการที่เห็นสมข้อที่ถูกใจข้อที่เชิดชูเอาไว้ความฝ่นิยมหรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่าค่านิยมรวมไปถึงอุดมการณ์แนวทัศน์ในการมองโลกและชีวิตที่เรียกกันว่าโล ก, กัศน์และชีวัศน์ต่างๆตลอดจนทัศนคติพื้นฐาน ที่สืบเนื่องจากความเห็นความเข้าใจและความใฝ่นิยมเหล่านั้นหมายเหตุนอกจากนี้พึงฟังพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่สองอาญตนาหตอนที่ว่าด้วยประเภทของความรู้เพิ่มเติมด้วยถ้าจะจัดเข้าเป็นพวกพวกทิฏฐิก็คงมีสองระดับคือความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าว่าดีไม่ดี ควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นเป็นต้นอย่างหนึ่งความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงว่าคืออะไรเป็นอย่างไรเพราะเหตุไรเป็นต้นอย่างหนึ่งดังจะเห็นได้ในเรื่องสัมมาทิฏฐิสองประเภททิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจความฝ่ายนิยมยึดถือต่างๆนั้นมีอิทธิพลครอบงำและมีบทบาทในการกาหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมากในกรมบท ท่านจัดทิฏฐิเข้าเป็นมโนกรรมซึ่งเป็นกรรมที่สําคัญมีผลมากมายร้ายแรงที่สุดยิ่งกว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะเป็นตัวบรนดาลกายกรรมและวจีกรรมอยู่เบื้องหลังอีกชั้นหนึ่งสามารถนําชีวิตสังคมหรือมนุษยชาติทั้งหมดไปสู่ความเจริญงอกงามรุ่งเรืองหลุดพ้นหรือนําไปสู่ความเสื่อมความพินาศก็ได้ดังจะมองเห็นได้ในชีวิตของบุคคลทิฏฐิเป็นตัวชักจูง และกำหนดวิถีชีวิตทั้งในด้านรับเข้าและด้านแสดงออกกล่าวคือจะมองเห็นโลกและชีวิตเป็นอย่างไรและจะปฏิบัติต่อโลกและชีวิตนั้นอย่างไรเริ่มตั้งแต่จะแปลความหมายของประสบการณ์ที่รับรู้้ามาใหม่อย่างไรจะตีค่าจะตัดสินวินิจฉัยว่าอย่างไรจะหันไปหาหรือเลือกรับสิ่งใดส่วนใดในแง่ใดจะเห็นด้วยหรือไม่ จะอยู่ฝ่ายใดแล้วชักนำแนวความคิดการพูดการกระทาที่จะสนองตอบโต้แสดงปฏิกิริยาออกไปว่าจะเอาอย่างไรพูดหรือทำอย่างไรกับบุคคลสิ่งสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้นๆพร้อมทั้งสร้างเหตุผลประกอบสำหรับการที่จะพูดจะทำเช่นนั้นกล่าวสั้นๆด้วยสับธรรมว่าทิฏฐิปรุงแต่งชักนาองค์ธรรมต่างๆ ตั้งแต่สังกัปปะคือความคิดหรือความดำริเป็นต้นไปให้เป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาตามทิฏฐินั้นๆในทางปฏิบัติความสำคัญของทิฏฐิมองเห็นได้ไม่ยากเช่นเมื่อคนชอบความมั่งมีเห็นว่าความพรั่งพร้อมทางวัตถุส่วนตัวเป็นจุดหมายของชีวิตเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของบุคคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจเขาย่อมพยายามดิ้นรนขนไหย เพื่อแสวงหาความพรั่งพร้อมทางวัตถุนั้นไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบกิจการงานก็ทําเพื่อจุดหมายนี้และเมื่อมองดูคนอื่นเขาก็จะวัดจะตีคา่าจะให้เกียรติคนนั้นนั้นหรือไม่โดยถือเอาความมั่งคั่งพรั่งพร้อมเป็นเกณฑ์ยิ่งถ้าเขาขาดความฝ่ายสุจริตด้วยแล้วเขาก็จะสแสวงหาความมั่งคัง่งโดยไม่เลือกวิธีว่าเป็นไปโดยสุจริตชอบธรรมหรือไม่ และจะมองเห็นคนประพฤติสุจริตที่ยากไร้ว่าเป็นคนเข่วครทื่มทื่อหรือไร้เกียรติถ้าเด็กเห็นว่าการมีอำนาจเป็นความเก่งเป็นความดีเขาก็าจะมีท่าทีที่น้อมไปในทางแสดงอำนาจทำตัวยิ่งใหญ่ชอบครอบงำข่มเหงรังแกผู้อื่นถ้าคนเห็นว่าบุญบาปไม่มีจริงเป็นเพียงคำขู่หลอกไว้ เขาย่อมไม่เอาใจใส่สิ่งที่สอนว่าเป็นบุญและไม่ระวังยั้งตัวในสิ่งที่ถือว่าเป็นบาปเมื่อคนแม่ก็ใจซึ้งถึงสภาวะของโลกและชีวิตที่เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ถาวร อ, อยู่โดยธรรมดาเขาย่อมมีความยึดมั่นต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สิสนและบุคคลแวดล้อมมากแล้วเกิดความหวั่นไหวหวั่นกลัวทาการและมีพฤติกรรมสะท้อนความทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของความยึดมั่นหวั่นไหวหวาดกลัวนั้นดังนี้เป็นต้นส่วนในด้านดีก็พึ่งทราบโดยนัยะตรงข้ามความเห็นที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้กล่าวแล้วว่าปัใจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้แก่ปรโตโคโสะที่ไม่ดีไม่งามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ชั่วร้าย เฉพาะอย่างยิ่งปาปมิตและอะโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยไม่แยบขายไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกวิธีส่วนปัจจัยของสัมมาทิฏฐิได้แก่ปารโตโคสะที่ดีงามการหล่อหลอมกล่อมเกลาในทางที่ถูกต้องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีเฉพาะอย่างยิ่งกาลยาณมิตรหรือการเสวนาสัตว์ บ, บุรุษและ โยนิโสมนศสิการคือการทำในใจโดยแยกคายรู้จักคิดคิดเป็นหรือคิดถูกวิธีในที่นี้จะพูดถึงแต่สมาทิถีิเป็นหลักเอามิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องแทรก